ก็หลังจากที่เราทำวัดสดมนเสร็จแล้ว <c oughs> นะก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะของวัดป่าสุขโตนะก็จะมีการฟังธรรมกันนะวันนี้ก็มีกลุ่มของอข้าราชการนะที่บรรจุใหม่นะของอสาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมาใช่ไหมมากันจำนวนประมาณร้อยกว่าคนแล้วก็มีญาติโยมเนาะช่วงนี้ปิดเทอมก็พาลูกพาหลานมาบางท่านก็หนีไอร้อนนะจากในเมืองนะมาพักผ่อนกายใจนะที่วัดป่าสุกโตนะเมื่อสักครู่นี้เราได้ไหว้พระสดมน นะก็เหมือนกับเป็นการชำระล้างนะมณทินนะเครื่องเศร้าหมองในจิตใจของเราเหมือนเราได้ชำระล้างร่างกายของเรานะหลังจากที่เราเดินทางมาเหน็ดเหนะื่อยได้อาบน้ำนะก็รู้สึกเย็นสบายมีความชุ่มชื่นนะชุ่มชื่นกายนะได้มาไหวพระสดมณ์ก็ทำให้ชุ่มชื่นใจขึ้นมาใช่ไหม ได้ระ ล, ลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนได้สาธยายมนนะที่เป็นบทนะเป็นพระธรรมให้เราพิจารณานะเป็นความจริงนะของชีวิตนะซึ่งตรงนี้ก็คงจะทำให้เรามีความสุขใจนะนอกจากเราจะสุกกายนะที่ได้มาที่วัดป่าสุกโตแห่งนี้ เราจะเพิ่งยิ่งหลายคนทำงานเหน็ดเหนื่อยนะแล้วก็อาจจะหนักอกหนักใจนะก็ได้มาพักผ่อนะกายใจของเราเนาะที่มาร่วมกันใช้ชีวิตที่วัดป่าสุขตะแวงนี้ทีนี้จะมากี่วันก็ตามนะมวัน5วัน7วันหรือบางคนอาจจะอยู่ประจำที่นี่ นะสิ่งสาคัญที่เราจะทำเมื่ออยู่ที่นีนะ่ก็คือการที่เรามาเรียนรู้ชีวิตของเรานะซึ่งชีวิตของเราเนี่ยก็มีอยู่สองส่วนใหญ่ๆนะก็คือส่วนกายกับส่วนใจในส่วนกายนีย่พวกคุณหมอทั้งหลายคงจะทราบดีนะทราบละเอียดละออมากนะทั้งในส่วนกายที่เป็นกายหยาบกายที่ละเอียดนะระบบประสาททั้งหลาย นะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทางคนหมอทั้งหลายเนี่ยก็คงจะรู้ดีนะแต่ในส่วนของจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่มีตัวตนนะมันมองไม่เห็นแต่มันมีพลังมากนะสิ่งนี้เนะี่ยบางทีนะเราก็า จ, จะหลงลืมไปบางทีเราก็ไม่เห็นความจำเป็นซนะึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ เรามาที่นี่เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ตรงนี้มาเพิ่มเติมส่วนที่เราอาจจะหลมลืมไปเราอาจจะยังไม่ได้ตระหนักหรือไม่เห็นความสำคัญโรคทางกายเนี่ยนะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะอาจจะเดือนหนึ่งอาจจะปีนึงค่อยเกิดก็ได้ มันมีโรคอีกชนิดนึงที่มันเกิดทุกวันนะแล้วบางทีมันเกิดทุกวินาทีเลยนะก็คือโรคทางใจโรคทางใจอย่างเช่นอะไรบ้างความเครียดความวิตกกังวลความเหงาความเบ้าเวใช่ไหมความวิตกกังวลต่างๆอันนี้เป็นโรคเป็นโรคทางจิตโรคทางใจมาจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเราก็คงจะได้สัมผัสกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แลก็ม่น่ใจนะว่ากรมในในอนามัยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาระดูว่าเป็นโรคหรือเปล่านะกาจะไม่ได้เป็นโรคก็ได้นะเป็นธรรมดาของคนเราที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละใช่ไมโรคโกรธอโกรธนี่ว่าไม่รู้ก็ถือว่าเป็นโรคหรือเปล่านะในทางพุทธศาสนานถือว่าเป็นโรคนะเป็นโรคโรคทางจิตวิ ญ, ญญาณเพราะนั้นการมาวัดป่าสกุโตเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ เรื่องเหล่านี้โรคที่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในชีวิตประจำวันของเราจะเป็นความเหนาความหนาเวความฟุ้งซ่านความเครียดนะหรือบางทีวิตกกังวลไปต่างๆนานานะยิ่งมาวันนี้วันแรกในะบางคนไม่คุ้นเคยกับวัดป่าสุกโตอาจนอนไม่หลับนะบางทีกลัวด้ว ไอ้ความเกลือนี่ก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันนะเป็นโรคทางจิตวัญญาณเป็นโรคทางใจนะที่เราน่าจะให้ความสนใจนะพระพุทธเจ้าบอกว่าโรคทางกายเนี่ยนะบางคนดูแลสุขภาพดีห้าปีสิบปีอาจจะไม่เป็นโรคเลยก็ได้แต่โรคทางใจนี่จะหาด้วยน้อยมากที่ไม่มนะีหรือไม่เป็นเนี่ยวันหนึงวันวนึงมันมีหลายเวลาทีเดียว ตื่นเช้ามาก็ไปตกกนงนแล้วคิดมูลคิดหนี้คิดเัินคิดมาจบไม่สิ้นนะบางทีเราก็ทําทไมมันฟุ้งซ่านจังเลยวันนี้ทําไมเครียดจังเลยนะเขาคาดว่าในอนาคตเนี่โลกที่จะมาดับหนึ่งนะก็คือโลกเครียดตอนนี้โลกมเลนะเร็งใช่ไหมโลกหัวใจมาดับหนึนะ่งใช่ไหมแต่ในอนาคตนี่โลคเครียดนจะมาดับหนึ่ง แล้ว เ, เครียมันเกี่ยวข้องกับจิตใจของเรานั่นแหละทีนี้โรคเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าเราสังเกตให้ดีนะมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดของเรามาดูว่าตัวความคิดมั น, มนเร็วมากมเร็วกว่าแสงซึ่งเป็นวัตถุที่ไวที่สุดในโลกนะออสการ์บอกว่าสิ่งใด ไวกว่าแสงสิ่งนั้นจะไม่มีตัวตนมองไม่เห็นความคิดนี่แหละนาที่มันไวมากๆมีเคยมีผู้ทำการสำรวจวิจัยพบว่าวันหนึ่งวันหนึ่งคนเราเนะี่ยคิดไม่น้อยกว่าเจ็ดหมืนเรื่องเยอะมากนะวันนึงไั้แต่ตืนนอนจนเข้านอนแล้วเราก็บางทีเราก็มเราก็ไม่อยากจะคิดบางทีนะแต่มันก็ห้ามมันไม่ได้เวลาจะคิดทำงาน ถ้ามันก็คิดไม่ออกอีกตรนะงนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใชนะ่แต่ม่ว่าโชคเดือนมึงนะธรรมชาติเนี่ยมันก็มีสิ่งที่จะมาช่วยปรับสมดุล น, นะมันก็มันมีมีร้อนมันก็มีเย็นใช่มมันมีมืดก็มีสว่างมันมีคิดก็มีไม่คิดนะไม่คิดก็คืออะไรก็คือมีสตินั่นเองอย่างขณะที่เรานั่งฟังอยู่เนี่ย แต่บางคนก็ฟังด้วยสติด้วยปัญญาไม่ได้คิดอะไรฟังเฉยๆใจเฉยๆเป็เนปกติใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสภาวะที่มันเออมันก็ไม่คิดอะไรมันก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าใจเรามจะคิดตลอดเวลาแต่มันก็มีคิดมันมีไม่คิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นจุดสําคัญที่เราจะมาเรียนรู้กลไกของจิตใจของเราที่เรามากันเนี่ย เพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นของชีวิตทุกๆชีวิตที่ต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์หรือจะหายจากโรคทางจิตโดยเฉพระโรคทีตกกองเวีนโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรคฟุ้งซ่านานะฮตรง น, นี้เพราะนั้นสาเหตุของมันเกิด จ, จากการที่เราไม่รู้เท่าทําความคิดมันเอง การจะรู้เท่าทันความคิดก็ต้องอาศัยสิ่งที่มันไวกว่าความคิดสิ่งที่ไวกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะนั่นเองทีนี้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นไม่เป็นนามธรรมามันไม่มีตัวตนเรามองไม่เห็นเราหยิบจับไม่ได้แต่ก็โชคดีนะเจ้าจายจีตะาดได้ค้นพบเมื่อประมาณสองพันหกอปีที่แล้วพบว่า ไอสิ่งที่ไม่มีตัว ต, วตนมาความคิดก็ดีสติก็ดีเนี่ยเป็นอาการหนึ่งของจิตใจเป็นอาการเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจแล้วจิตใจเนี่ยมันอยู่กับกายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเรียนรู้จิต ใ, ใจเรียนรู้ความคิดเรียนรู้สติให้เรามาเรียนรู้ที่กายก่อนนากายเนี่ยมันเป็นรูปธรรมทีนี้กายเราจะเรียนรู้อะไรเราจะได้เห็นความคิดเห็นจิตได้เนี่ยเราจะ้มองตรงๆ เราจะไปใช้ตามองมันตามองไม่ได้ตาเนื้อเนี่ยมันมองไม่ได้มันจะต้องอาศัยความรู้สึกตัวทีนี้ความรู้สึกตัวมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไงก็เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวในครั้งวิการณ์พระเจ้าก็อาใส่ลมหายใจนะถ้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกแต่ก่อนเนี่ยใจของเราเนี่ยมันหลงไปกับความคิดนะพอเรามา ดูที่ลมหายใจนะก็ใจมันก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจไม่เป็นกายที่ละเอียดนะเป็นกายที่ที่ละเอียดหน่อยนะทีนีน้นอกจากการใช้ลมหายใจแล้วเนี่ยนะก็ยังมีวิธีการอื่นนะซึ่งที่เราทำกันที่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราไม่ได้อใส่ลมหายใจนะเราอาศัยการเคลื่อนไหวทำไมไม่ทำไมไม่ดูลมหายใจล่ะลมหายใจมันเบา นะแล้วมันก็มันมันสัมผัสยากหน่อยสัมผัสคนเริ่มต้นใหม่นะโดยเฉพาคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยสัมผัสยากแต่ถ้าคนที่ฝึกมาแล้วฝึกมาดีมีสติสมาธิดีมันก็อาจจะเห็นได้ชัดถ้าอย่างนั้นเราจะใช้อะไรล่ะนะหลวงพ่อเทียมก็ได้พบว่ามีวิธีหนึ่งก็คือเอาการเคลื่อนไหวของกายนะ่ะมาเป็นตัวปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมา การเคลื่อนไหวของกายเนี่ยท่านก็คิดวิธีการนะมีการเดินจงกรมมีการเคลื่อนไหวยกมายกมือสิบสี่จังหวะนะซึ่งก็ท่านก็ปรับรูปแบบงาน ม, มาจากวิธีการที่ท่านไปเรียนรู้มาจากเมืองลาวนะซึ่งเขาเรียกว่ากรรมฐ า, านแบบไหวนิง่งหรือตึงนิง่งนะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องใช้คำบริกรรมเราไม่ต้องนั่งหลับตานะ เราไม่ต้อ ง, งเปเม่นที่จะต้องให้มันสงบนิ่งๆแต่เราสงบแบบตื่นรู้อะเพราะชีวิตประจําวันเราไม่ได้นั่งนิ่งๆไม่ได้นั่งหลับตาใช่ไหมชีวิตประจําวันก็เราต้องตื่นต้องลืมตาเพราะฉะนั้นการฝึกจะเรียนตืด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะไม่นั่งหลับตาเราลืมตาลืมตาเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เห็นสิ่งที่มันมันเป็นความจริงที่มันมีอยู่ในโลกเราไม่หลบหลีลกเราไม่ลีกหนี นาะสิ่งที่มาสัมผัสหนาะกับใจสัมผัสที่กายของเราจะเป็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ทางใจนาะเราไม่ไม่หลีกหนีเราไม่ต้องไปนั่งนิ่งๆหลับตาอยู่ในที่สงบอยู่ในห้องพระเงียบๆนะแล้วก็เราปลีกโลกหรือราปลีกสังคมไปชั่วงระยะหนึ่งเครียดมากๆากเราก็ไปแบบปลีกไปนั่งติดตัวเงียบ ไม่อยากคิดอะไรกดไม่มันคิดอะไรอันนั้นก็ดีนะมันก็มีความสุขนะแต่ก็เป็นความสุขสงบชั่วขณะหนึ่ ง, ข ณ, งขณะที่เรานั่งหลับตาขณะที่เรานั่งนิ่งๆแต่พอเราลืมตาขึ้นมามันก็ไม่สงบอีกอะ่ะนะเพราะนั่นตรง น, นี้เนี่ยน่ะเรามาฝึกนะที่จะเรียนรู้นะกายใจของเราด้วยการเคลื่อนไหวนะ่้เรียว่าการจเจริญสติบแบบเคลื่อนไหว หรือเรียกว่าการเจริญสติแบบไหวมุ่งนั่นเองนะฮะโดยทั่วไปเรากจะเรียกว่าการเจริญสติทีนี้หลายคนหลายคนจะไม่คุ้นกับคํานี้หลายคนจะคุ้นกับคําว่าฝึกสมาธิใช่ไหมฝึกสมาธิก็ต้องนั่งหลับตาใช้คำบริกรรมที่ใช้ลหมหายใจนะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการที่มีอยู่โดยทั่วไปแล้วก็เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายแต่มาที่วัดป่าสุขโตนี้ ไม่ให้นั่งหลับตาด้วยไม่นั่งสงบด้วยให้เคลื่อนไหวด้วยแต่อย่างนี้มันจะสงบได้ยังไงเออบางคนมันจะมีข้อสงสัยนะมีคําถามขึ้นมานะตรงนี้เนี่ยความสงบเนี่ยมันมีสองอย่างสงบแบบนิ่งก็คือที่เราคุ้นเคยกันนั่งหลับตานิ่งๆก็มีความสุขดีแต่พอตื่นขึ้นมาเจอสิ่งที่มากระทบอาจจะไม่สงบละ สมบัติบที่สองคือสมบับตื่นรู้นะฮะที่เราทำํำมาเนี่ยเราจะเน้นตรงที่ให้สมบับตื่นรู้ตื่นรู้ก็คือจิตใจมันปกติเฉยๆซึ่งมันเป็นสภาพดั้งเดิมของจิตใจที่มีอยู่ขณะที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยให้สังเกตดูใจของเราเป็นยังไงมันเฉยๆใช่ไหมมันไม่โกรธมันไม่สุขมันไม่ทุกข์มันไม่เครียด มไม่หนักอกหนักใจนี่คือสภาพเบ้งเดิมของจิตใจของเราอันนี้เพรา ะ, ะนั้นเราตื่นรู้ใจ ม, มันสงบอยู่แล้วโดวยธรรมชาติของมันแต่ที่มันไม่สงบเพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันความคิดเนี่ยเราคิดลงนั้นคิดองนี้อยากจะมีความสุขมากๆไม่อยากจะมีทุกข์เลยเ น, นี่ยก็เรียกว่าเป็นความคิดที่เราปรุงแต่งขึ้นมามาวั ด, ด้วยกหวังจะมาพบกับความสงบ มานั่งนิ่งๆหลับตาแต่มา น, นั่งทีไร ท, ทําทีไรโอมัน ฟ, ฟุ่งซ่านฟุ่งซ่านมึงก็อยู่ที่บ้านอีกใช่ไหมเออบางคนฝึกแล้วจะเจออย่างเงี้ยเอ้ย อ, อย่มันไม่ถูกแล้วมนะั้งมันไม่บอกอริยนิสัยลราแล้ ว, ลวมั้งเนี่ยไปคิดอย่างนั้นจริงๆนะความฟุ่งซ่านเนี่ยมันก็เป็นอาการของจิตที่มันจะแสดงออกมาให้เราได้เรียนรู้หนาเขาเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ย เมื่อคืออาการของใจยิ่งจะแสดงออกมามาโดยที่มีตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเข้าไปดูมันเข้าไปเห็นมันแต่ความเครืร่องซ่ามันมันไม่ได้เกิดตลอดเวลานะักมันเกิดช่วขหนาหนึ่งแล้วมันก็ผ่านไปนะแล้วคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยมันจะเจอความง่วงยกมือขึ้นไม่ไรก็เรื่องทุกทีนไม่อยากให้มันเมื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่นะยนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดเหมือนกันเพราะนั้ น, นสิ่งเหล่านี้เนี่ย การที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยน่ะมันจะทําให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราน่ะเพราะนั้นเบื้องต้มเนี่ยเบื้องต้มเนี่ยนะสิ่งที่เราจะจะมาเรียนรู้หรือมาฝึกก็คือการที่เราแม่งเคลื่อนไหวก็ดีการที่เราเดินจงกรมก็ดีเนี่ยให้เรามีเจตนาที่จะรู้สึกตัวลงไปที่กายเคลื่อนไหว แต่กอนเนี่ยใจเรามันไปกับความคิดมันหลงไปกับความคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดภาษารพัดคิดแต่ตรงนี้เนี่ยการที่พอเราเคลื่อนแล้วเรารู้พลิกมือก็รู้ยกบก็รู้หยุดก็รู้นะตรงนี้มันจะเป็นการเลือกเอาสติกับมาอยู่กับเน้อกับตัวนะอย่างที่เราเรียกว่าเลือกใจมาอยู่กับเน้อกับตัวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้น ของการที่เราจะปลุกความรู้สึกตัวนะเช่นเรายกมือเรารู้พลิกรู้เคลื่อนรู้รู้อะไรรู้การพลิกรู้การเคลื่อนแค่นี้จะไปรู้มากกว่านี้ถ้ารู้มากกว่านี้จะคิดละไม่ต้องมีคำบริกรนมะไม่ต้องพุทโธสัมมาลาหังยุบหมอพบงหน่ไม่ต้องเลยตรงๆเลยนะซึ่งตรงนี้จะทําให้เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างรัดสั้นตรงถ้าเราไป มีคำบริการมเนี่ยมันอ้อมเพราะอเมริกันมันก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเราตัดทิ้งหมดเลยแล้วเราก็ไม่นั่งหลับตาเด็ยเพราะนั่งหลับตามันจะชวนเมื่อวันชวนเมื่องันเพอนะบางทีมันจินต น, นาการนะแล้วมันก็อ่อนกําลังความรู้สึกตัวมันจะอ่อนแต่การที่เราลืมตาแล้วเราก็ยกมือเจตนาที่จะรู้สึกกับการเคลื่อนไหวนนนนเนี่ยทีละขณะทีละขณะตรงนี้เลยจะทาให้ความรู้สึกตัวเรามันตื่นได้เร็ว เรามีเวลาสามวันก็ดีห้าวันก็ดีเราทำอย่างนี้นซ้ําๆสิ่งใดก็ตามที่เราทำซ้ำํา้ำมันจะเปิดนิสัยขึ้นมาเป็นนิสัยของความรู้สึกตัวแต่ก่อนเนี่ยเรามีนิสัยที่จะลงไปกับความคิดคิดเรื่องเก่าเก่าจำอดีตเก่าเก่าที่เป็นความสุขเก่าๆ่ามันก็จะมีความสุขขึ้นมาหรือก็มีความทุกข์ขึ้นมาตรงนีน้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ ทีนี้นถ้าเรากลับมารู้สึกตัวที่ตรงการเคลื่อนไหวเนะี่ยใจมันจะกลับมาสู่ความมันปกติไม่สุขและไม่ทุกข์เฉยเฉยแต่เฉยในที่นี้นไม่ได้เฉยแบบซื่อบื้อนะไม่ได้เฉยแบบเย็นชานะเฉยพร้อมที่จะทําการนางานเฉยพร้อมที่จะรับรู้สิ่งต่างต่านงะซึ่งเป็นสภาพปกติของใจใจอย่างนี้เลยนะที่พร้อมที่จะทํางานใจอย่างนี้เลยนะที่พร้อมที่จะเผชิญ สิ่งต่างตางที่เราคาดไม่ถึงในเลกปัจจุบันมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเยอะแยะแล้วก็เรารู้เท่าฐานอารมณ์สภาพปกตินี่แหละที่จะทาให้เราถ้าเราพุ้นเคยกับความเป็นปกติบ่อยๆเนี่ยเพียงแค่ใจมันหงุดหงิดขึ้นมาขุนเคืองขึ้นมามันจะรู้ละนะหรือบางทีเนี่ยอากาศมันร้อนเรารู้สึกหงุดหงิดนะนั้นก็จะเป็นผลที่ต่อเนื่องกันเราดูกาย นาที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยเราเห็นใจที่มันคิดนึกเพราะนั้นเราจะไปดูใ จ, ใจคิดนึกตรงๆเลยเนี่ยมันดูยากเราก็ดูผ่านกายผ่านการเคลื่อนไหวนี่แหละเพราะนั้นใครที่ขยันเคลื่อนไหวบ่อยๆแล้วก็รู้ที่การเคลื่อนไหวบ่อยๆสติมันจะเจริญเขาเรียกว่าภาวนาคำว่าภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนาความรู้สึกตัวให้มันมีความไวขึ้น จริงๆสติแม้ทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันเป็นสติสามัญสติที่ใช้ในการในงานเป็นสติที่ไม่เพียงพอกับอารมณ์ไม่เพียงพอความคิดมันไม่ทันความคิดเรารู้นะบางอย่างไม่ดีเช่นความโกรธไม่ดีแต่เราไปห้ามมันไม่ได้หรือเราไปถอนกําลังมันไม่ได้โกรธทีไรก็ต้องแสดงออกทุกทีไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจก็ดีแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยสติจะเป็นตัวที่ ยับยั้งช่างใจแล้วมันก็จะช่วยสอดส่องให้โอ้แค่มันกลุ้นกลุ้นขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้แหลนะะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสติมันจะไวนะเพราะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยให้เรารู้กับกายที่เคลื่อนไหวกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นเป็นเป้าใหญ่เป็นของหยาบมันเห็นไม่ง่ายเห็นง่ายกว่าลมหายใจเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกลมหายใจแล้วไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยลองมาทําวิธีนี้ดูนะ ตัวความรู้สึกตัวมันจะตื่นชัดเจนมากเหมือนกับเรายิงยิงธนูเนี่ยถ้าเป้ามันเล็กเนี่ยโอ้โหกาสที่จะตรงกลางเป้าเนี่ยมันยากแต่ถ้าเป้ามันใหญ่เนี่ยเรายิงตรงกลางเป้าได้ง่ายเพราะฉะนั้นการที่เราเคลื่อนมือเนี่ยเป้ามันใหญ่ความรู้สึกตัวมันจะชัดนะทนีนี้เมืเอ่อเรารู้สึกตัวที่กายบ่อยๆทําบ่อยๆแรกๆมันจะดบื่อนิดหนึ่งมันซ้ํำซากจําเจ หรือคนอายุปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยทนกับไอ้การทําอะไรซ้ํา้ำซักๆจะเกิดอาการเบื่อตัว น, นี้ก็รู้นะว่าอาการเบื่อเนี่ยมันจะชวนให้เราออกนอกทางเพราะนั้นเรามีทางเดียวนะอย่าไปเชื่อมันทําต่อไปซ้ำซ้ำเหมือนเราขี่จักรยานอ่ะมันไม่ต้องขี่แล้วขี่อีกนึกตอนที่สมัยเราเรียนเขียนกไก่ขอไข่จำน้ น, นะเนะขียนซ้ําแล้วซ้ําอีกอยนั้นน่ะโอ้ตอนแรกมันตัวใหญ่ บทีก็ตัวเล็กเขียนซ้ําไปซ้ำมาสุดท้ายตัวมันสวยขึ้นการที่เรายกมือนี่ก็เหมือนกันการที่เราเดินจงกรมนี่ก็เหมือนกันความรู้สึกตัวมันเปนสิ่งที่ไม่มีตัวตนตอนแรกๆมันไม่รู้หรอกมันมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงมันมันบอกไม่ถูกแต่ถ้าเราทําซ้ําๆซ้ําๆด้วยความตื่นตัวมันจะเกิดขึ้นเราจะเริ่มรู้จากเดิมเนี่ยเราสนใจกับเรื่องข้างนอกมากเรื่องความคิดเรื่องในความคิด ต่างๆมากเนี่ยมันจะกลับมาสนใจสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวพัดลมพัดมาโดนผิวหนังขนมันพัดไปโบกมาเนี่ยเราก็รู้สึกใช่ไหมตนเนี้มันจะเริ่มเริ่มสนใจสิ่งที่อยู่ใกล้ๆแล้วเรเรียกว่าเลือกใจ้มันมาอยู่ใกล้ๆพอนั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยมันก็เริ่มรู้และโอ้ปวดเมื่อยละแต่ก่อนทีนป่ปวดเมื่อยปุ๊บลงหกอิตเลยไม่ไหวละ บางทีเปลี่ยนทันทีเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนะเราจะไม่เห็นความจริงของร่างกายที่มันทนไม่ได้นะมันทนไม่ได้ทนไม่ได้ภาษาบาลีเขาเรียกมันทุกข์ร่างกายเนี่ยมันทุกข์มันเป็นก้อนทุกข์เห็นไหมทีนี้ใหม่ๆเนี่ยก็อนุญาตให้เปลี่ยนได้แต่เพลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวรู้ว่ากายมันปวดมันเมื่อยกายมันร้อนมันเย็นนะหรือจะขั้นเนื้อขั้นตัวนะมาแปลกที่แปลกทิน นะตรงเนี้ยให้เรารับรู้ตรงเนี้ยเราเราเริ่มเรียนรู้กายสติที่มีอยู่เนี่ยมันจะเริ่มละเอียดเราออกขึ้นในสิ่งที่เราเสนใจที่เจตนานะทีนี้ถ้าเราทำบ่อยๆซ้าไปซ้ามายกมือก็ดูโ ด, ดจนจงกลมก็ดูนะี่ยเดีวยวมันเห็นความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นใน ใ, นใจของเราภาษาบาลีเรียกเวทนาภาษาอังกฤษเรียกว่าฟ e e l i เวทนา t h i ไม่ใช่ว่าเศร้าโศกนะคําไทยเรามาใช้มันเพี้ยนไปเยอะบาลีแปลว่าความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจแล้วก็กลางๆปกติปกติไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยตรงเนี้ยแต่ไอ้ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันเห็นยากหน่อยเพราะมันมันมันมั น, มนไม่มีรสชาติอะเหมือน เ, เราเราดื่มน้ำเนอะถ้าดื่มน้ํำเปล่าๆเนี่ยมันจืด แต่ถ้าเราดืมาด่มน้ําหวานดื่มน้ําเปรี้ยวเนี่ยอรสมันจะชัดแต่รสของสุขของทุกเนี่ยมันชัดแต่รสปกติเฉยๆที่มันไม่สุขไม่ทุกเนี่ยมันไม่เคยชัดเพราะฉะนั้นตรง น, นี้ไม่เป็นไรเราก็ดูสุขดูทุกบ่อยๆและเดี๋ยวมันก็เห็นความเป็นปกติที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจากกายที่เคลื่อนไหวเนี่รารู้ทันกายเนี่ยมันจะเริ่มเห็นสิ่งที่เลียดที่เป็นน า, ามธรรมก็คือความสุขความทุกข์ความปกตินะ ดูต่อไปทําต่อไปเรื่อยๆสติมันจะละเอียดขึ้นทําซ้ําๆเนี่ยแหละทํำอย่างเดียวเนี่ยซ้ําไปซ้ํามาเนี่ยผมเคคิดคิดแวะไปโอ้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นะฮแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ตามทันตามไม่ทันมันมันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่นี้เราไปตามความคิดไปทีนี้พอเรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันเหมือนจะมีตัวต่อรองความคิดละบางทีว่าความคิดมันอ่อนๆมันอาจจะหลุดไปเลย เรากลักบมารู้สึกตัวในระหว่างการฝึกนะนะช่วงที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยความคิดทุกความคิดด้วนะทิ้งให้หมดเลยจะคิดดีคิดไม่ดีไม่ต้องไปสนใจมันเลยมาสนใจการเคลื่อนไหวที่กายเนี่ยบ่อยๆความคิดเนี่ยมันจะอ่อนกําลังลงนะแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าโอ้เดี๋ยวห้าวันกลับไปเราคิดไม่เป็นไม่ไม่ต้องกลัวนะ มันจะยิ่งคิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะคิดเรื่องแปลกๆออกมาหรือบางทีมันไปย้อนและลึกถึงเรื่องเก่าๆอ่ะสมัยเรามังเป็นเด็กความคิดความสุขความทุกข์สมัยเร็วๆมันจะผดขึ้นมาเลยนะอันนี้เหมือนการระลึกชาตินะแต่เป็นระลึกชาติสิ่งที่มันมีอยู่นะเพราะนั้นตอนนี้เราก็ไม่สนใจนะเราทิ้งมันไปเลยกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยให้บ่อยๆเอาตรงนี้เป็นหลักถ้าเราตรงนี้ได้บ่อยๆเนี่ย ให้ความรู้สึกตัวมันเด่นขึ้นมาแต่ตอนความคิดมันเด่นความรู้สึกตัวมันด้อยใช่ไหมทีนี้พอเราทำอย่างนี้ความรู้สึกตัวมันจะเด่นความคิดมันจะด้อยมันจะอ่อนกําลังแล้วมันจะเกิดการจัดระเบียบความคิดอันไหนที่ต้องการคิดเวลาเราทําการทำงานเราดึงมาใช้ได้อันไหนที่เราไม่ต้องการคิดคิดจบคิดจิกคิดไม่รู้จบไม่สิ้นเนี่ยมันจะค่อยค่อยค่อยคอ่อนกําลังไปเพราะนั้นเราตรงนี้เนี่ยเราจะได้เริ่ม เราเริ่มที่จะได้ยาที่จะรักษาความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดนายาที่รักษานี้ก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองก็คือปัญญานี่เองจะเป็นตัวที่จะรักษาเพราะฉะนั้นพอเราเห็นตรงนี้เห็นจิตเห็นกลไกายของจิต บ, บางทีมันหลอกเราหลอกให้เราดีใจหลอกให้เราเสียใจหลอกให้เราโกรธโกรธทีไรก็เป็นตัวเราทุกทีนตจริงๆความโกรธมันก็เป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมา Uh, ท ote, uates, לו, ีนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเนี่ยความโกรธเนมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วจะผ่านไปแต่ถ้าเราไม่ทันมันเนี่ยเราจะโกรธแล้วเลื่อนกข้มันไปเลยกลายเป็นตัวเราเข้าไปเลยความโกรธถูกกลืนไปเลยความคิดก็กลืนเราก็ไปเลยอารมณ์เมื่อไหรก็จะกลืนเราก็ไปเลยก็เป็นตัวตนของเราก็ไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะสติสัมปชัญญะเนี่ยหรือสติปัญญาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยสามารถแยกตัวเองออกจากความคิดได้ แยกตัวงจากอารมณ์ได้ใจไม่จะกลับมาสู่ความเป็นปกติตรง น, นี้มันจะเกิดการปล่อยวางเองโดยธรรมชาติไม่ต้องเลยบอกว่าโอ้ปวางนะทำใม้จิตว่างนะไม่ต้องพูดเลยสตินั้นก็จะทำหน้าที่ของเขาถ้าเราฝึกจนมันสามารถที่จะเป็นอัตโนมัติแล้วมันทํางานของมันเองแล้วเพียงแต่เราสร้างเหตุสร้างเหตุก็คือมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหว จะเป็นการเดินจงก้มก็ดีสร้างจังหวัดก็ดีซ้ำาๆซ้าไปซ้ำมานี่มันจะเกิดนิสัยใหม่มันจะเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาเป็นชีวิตที่เป็นอิสระจากความคิดจากอารมณ์ต่างๆนะซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นคุณค่ากับพวกเราอย่างมากแล้วมันจะมีสันติสุขเป็นความสุขที่มันละเอียดมันจ ะ, สะแสดงตัวออกมาก็คือความเป็นปกติของใจที่มันมีอยู่แล้ว งาเราจะได้สัมผัสกับความสุขตรงนี้เพราะนั้นคนที่ฝึกมามากๆเนี่ยจะได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้บางทีทําไปทําไปตอนแรกๆโอ้โหมันดบื่อนะมันฟุ้งซ่านมันง่วงแต่มันหนลุหงิดแต่เราทําไปทําไปเนี่ยบางทีเฮ้ยตัวมันเบาเดิมตัวเบาบางทีก็ซาบซ่านขึ้นมาขนลุกขนพองขึ้นมาอ่าในเป็นปิติขึ้นมาแล้วแต่ตรงนี้ก็ไม่เอานะผ่านเหมือนกันเราไม่ได้ทำเพื่อต้องการตรงนี้ ทำเพื่อเี่นหรืออารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยผ่านหมดเลยนะสิ่งที่มันจะแสดงตัวมาคือความเป็นปกติความเป็นปกติของกายความเป็นปกติของใจที่มันจะแสดงตัวออกมาเพราะนั้นธรรมะนี่นะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิดได้ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแรกๆไม่สวยงามเลยธรรมะนั้นมันมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลใช่นะ แรกๆมันจะเจออกุศลก่อนก็คือความเ่วยความเบื่อความเซ็งความฟุ้งั่านอันนี้เป็นธรรมะหมดเลยนะเพราะฉะนั้นจากกายไปเห็นเบตนาเปเห็จิตเปเห็นธรรมนี่คือสติปัฏฐานสี่ที่เราจะได้ฝึกกันมะสามสี่วันห้าวันเนี่ยทําเรื่องนีเง้เรื่องเดียวทําอย่างนี้อย่างเดียวไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะตรงเนี้ยถ้าเราทําซ้ําๆ ภายในทําอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยนะทำอย่างนี้ให้มันต่อเ น, นื่องเป็นลูกโซ่ะนะในครั้งพุทธการพระเจ้าพูดได้ว่าอย่างงานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างรุ่ที่สุดหนึ่งวันนั้นเจ็ดวันเป็นพระหลานลรืพระนาคามีแต่เราไม่ต้องเอาขนาดนั้นเนาะเอาแค่ไม่ทุกข์ใจก็พอละเหมือนแม่เทียนเนี่ย ท่านสอนคนมาเป็นมันพันคนแลวตั้งแต่ใช้วิธีนี้เก่ได้ไม่ข้อสรุปว่าถ้าทำอย่างต่อเ น, นื่องนะอย่างนานสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดหนึ่งวันถึงเก้าสิบวันความทุกข์จะลดลงความหนัก อ, อกหนักใจจะลดลงอย่าเพิ่งเชื่อนะท่านท้าเราต้องมีสูตรและมันเป็นสิ่งที่ทำได้ด้วย ไม่จำเป็นไม่ต้องเลยบอกโอ้เราสงสัยบุญบารมีเราไม่มีนะเราเป็นประเภทบัวใต้ใต้คอนกรีตอะไรบัวใต้น้ำอะไรอย่ า, ย ไ, ยาไปดูทูกตัวเองอย่างนั้นทุกคนมีาธาตุแห่งความรู้ตัวหรือธาตุพุท ธ, ธะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะปลุกขึ้นมาหรือไม่ในซึ่งวิธีการนี้ก็มีอยู่แล้วที่วัดป่าสุขเตอนระ์มีนำเสนอเรื่องนี้ แล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําได้เล็ไม่ยากเลยนะทําง่ายๆอย่างเนี้ยแต่ทําซ้ําๆแต่ไอสิ่งที่มันง่ายนี่แหละเขาถึงบอกว่าเอ้มันเป็นไปได้เหรอไม่ได้มั่งต้องนั่งหลับตาเท่ๆหน่อยนั่งหลับตาตัวแข็งๆหน่อยมืมาดหน่อยมันต้องยกน้ายกมืออ๊อพุทธเจ้ามาได้สอนมังเนี่ยหลายคนก็จะสงสัยนะแต่ตรงเนี้ยต้องมาพิสูจน์กันอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่พูดอ่าเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราได้มาฝึกกันเนี่ยการที่จะเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเพื่อที่จะรักษาโรคทางจิตเนี่ยมีเครื่องมือมีอุปรกรณ์อยู่ในตัวเราแล้ ว, ลวไม่ต้องใช้ยาเขาเรียกว่าบธรรมะโอสดที่มีอยู่ในตัวเราและไม่มีใครช่วยใครได้ด้วยเราต้องช่วยตัวเราเองเราต้องเป็นหมอรักษาตัวเราเองนะถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะบอกต่อเชิญชวน คนอื่นต่อไปได้อีกโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับหมอพยาบาลมีสําคัญมากนะเราคงไม่ได้รักษาเฉพาะกายใช่ไหมเรารักษาใจด้วยบางทีผู้ป่วยบางคนเนี่ยเห็นหมอบางคนเนี่ยมันหายไป 50% แล้วเพราะหมอยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าต า, าอธัธยาศัยบางีพูดนิดเดียวสบายใจเลยให้ ย, ยัยนิดหนึ่งหายเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เมื่อเราได้มาฝึกที่นี่แล้วเนี่ยเราใช้กับตัวเราเองเราก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนไข้ได้ด้วยไปช่วยเหลือเพื่อนฝูงครอบครัวได้ด้วยนะเรียกว่าเป็นการรักษาโรคทางจิตวิญญาณนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้น่าศึกษามากแล้วก็ไม่ยากด้วยนะแต่มาเรียกว่ากรรมฐานสะดวกทำเซนี่เนเป็นกรรมฐานสะดวกเป็นร้านสะดวกซื้อใช่ไนะ การเคลื่อนไหมันนี่เรียกว่ากรรมฐานสะดวกทำทําง่ายๆแต่ต้องทําบ่อยๆทําซ้ําๆมันยากรงที่ว่าต้องทําซ้ําๆเนี่ยแล้วมันยากตรงที่ว่าเราผ่านอารมณ์ไม่ค่อยได้เมื่อเดี๋ยวพรุ่ง น, นี้เนี่ยวันแรกเนี่ยนะคนที่มาใหม่เนี่ยนะมันจะเจออารณมณ์มหนึงคือความเม่วงเมื่อยแบบสุดๆเลยเงื่อยที่สุดเลยขนาดนอนเมื่อคืนมาแล้วนะตรงเนี้ย เป็นสิ่งที่เราให้เราเรียนรู้มานะให้เราอทนใช้ความเพียรความอดทนแล้วถ้าดีเนี่ยจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับตัวเองในการฝึกเรามาที่นี่เนี่ยพยายามใช้ทุกเวลานาทีเป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวสิ่งที่เราจะช่วยได้มากอันที่หนึ่งนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยปิดเลยตัดขาดจากโลกนอกเลยนะ ย่งกลุมที่มาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์คงจะขอเก็บอ่ะแต่คนที่มาเองไง น, นะปิดเลยไม่ต้องติดต่อเลยลองดูที่ตายไปสักห้าวันสิบวันยังจะเป็นเป็นอะไรตรง น, นี้มันจะช่วยมากเลยนะปิดเลยไม่ต้องติดต่อเลยแล้วเดี๋ยวใจารย์นหมนกิดมันเด็กจะโทรไม่โทรต้องบอกกับตัวเองตั้งสัจจะเลยอันที่สองเนะงดการพูดคุยคุยให้น้อย ตรนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะกลับมาดูตัวเองเราคุยกับเพื่อนมานานแล้วการคุยก็เป็นความคิดยิ่งคุยมากเนี่ยมันก็จะออกไปข้างนอกมากความรู้สึกเตือนเนี่ยมันจะเกิดยากมันจะเกิดช้าแล้วถ้ามาอยู่สามวันห้าวันเนี่ยยิ่งคุยนะยิ่งไม่ได้ผลเลยเข้าก็มาฐานยากเพราะฉะนั้นมาที่นี่เนี่ยพยายามงดการพูดคุยหรือพูด ค, คุยกันแต่น้อยโดยเฉพาะคนที่สนิทกันเลยนะบอกเลย ต่างคนต่างดูตอนนี้จะได้ผลอ้าวไม่เชื่อลองดูแต่บางคนก็ว่ามันจะทําได้แล้วเราช่างพูดนะนะเราคงทํำยากนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูชีวิตนี้มีอะไรให้หน้าลองอีกเยอะสิ่งที่เราไม่เคยทําลองทําดูทศบาลมีเนี่ยข้อแรกคือพระเตมีใบใช่ไหมไม่พูดเลยเงียบเลยพูดเท่าที่จําเป็น เรื่องคุยจุกจุกจิกจิกคุยให้ฮะเนี่ยงมดไปเลยเพราะฉะนั้นสังเกตไหมเรามาที่วัดไี่เจ็นบรรยากาศมันเงียบๆคมอยู่เยอะนะมันจะมามีมีแต่ต่างคนต่างอยู่ปฏิบัติกันจะพูดคุยกันก็เฉพาะเท่าที่จําเป็นวฉนนั้นคนนี้มาอยู่ที่รัดป่าสกตูและหลังจะมาฝึกร่วมเนี้ยลองดูนะลดโทรศัพท์ลดการพูดคุยนะแล้วก็ขยันขยันที่จะเดินจงกรมขยันที่จะสร้างจังหวะอยู่ที่นี่ ทำได้เต็มที่เราไม่มีใครเขาว่าเราแต่ไปทำก็มากไม่ได้นะเดี๋ยวเขาว่าตัวบ้านะเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ว่างไม่ไหลนั่นงสร้างจังหวะเดินจริงกลมไม่คุยสัมพนาการนี่ไม่ต้องเอาเลยงานะสรรพนาการนี่เราทำมาเยะนะเราให้เวลากับตัวเราเองให้เวลากับจิตใจของเราให้เวลากับชีวิตของเราลองดูห้าวันเจ็ดวันสามวันนะแล้วจะจริงอย่างที่ หลวงพเทียนพูดไหมจะจริงอย่างที่พระเจ้าพูดไหมนะเป็นเรื่องที่น่าพิสูจน์และถ้าทําได้แล้วเนี่ยมันติดตัวไปจนตายนะมันไม่ได้ติดตัวเฉพาะที่นี่ติดตัวไปจนตายใช้ได้ตลอดชีวิตเป็นวิชาที่คุ้มค่ามากเลยและเป็นวิชาที่จบได้ด้วยโลกในปัจจุบันในวิชานไม่จบอะเดีมีไอ้นุ่นไอ้นินคิดแต่วิชานจจี้จบได้จบได้ตรงไหนทุกมันลดลงทุกมันไม่มีทุกมันเบาลง ความสุขมันก็หาง่ายความทุกข์มันจะมายากดูมี่เราทุกข์ง่ายสุขยากใช่ไหมแต่ถ้าทํานี้เนะี่ยสุขง่ายทุกข์ยากเอาไหมนี่เป็นเป็นบุญใหญ่นะเป็นบุญสูงสุดเลยที่เราจะทําให้กับตัวเราเองแล้วดินนี้ไม่เสียสตางค์ดูนี่เขามีโฆษณากันโอ้จะได้บุญสูงสุดต้องจ่ายเงินเยอะๆนะมีบางที่บางสํานักกบอกจ่ายเงินเยอะๆ โดยบนมากไปสวรรค์ไนิพพานไอ้ทำอย่างนี้นี่เสียตังค์เลยนะแล้วบนสูงสุดด้วยแล้วมันจะเจอสิ่งสูงสุดในชีวิตเป็นความสุขสูงสุดก็คือความเป็นปกติของใจนั่นเองแล้วตรงนี้มันจะเกิดประโยชน์กับเราถ้าไม่เราพร้อมที่จะทําทงานโดยเฉพาะแพทย์เภสัชหรือว่าธรรมแพทย์หรือเจา้าหน้าที่สาธารณสุขที่บรรจุใหม่เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยจิตใจที่ตืน่นตัว นะตรงนี้แล้วเราก็จะมีความสุขกับการทํางานบางทีมันเครียดบ้างเราก็จะปรับสมดุลได้ง่ายขึ้นหรือ ว, ว่าเรามีเครื่องมือในการปรับสมดุลในด้านจิตใจนะแล้วก็มียาที่จะรักษาใจเขาเรียกว่ายาใจไงนะเรามียารักษากายแล้วตอนนี้มียารักษาใจด้วยยารักษาใจก็คือสติปัญญาเนี่ยสติสัมปชัญญะนั่นเองเส้นตรงนี้เราสามารถที่ทําขึ้นมาได้ยาชนิดนี้เหมือนวัคซีน ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นความทุกข์ความไม่สบายใจเป็นวัคซีนนักความเมื่อยความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทําให้มาทดสอบเราให้จิตใจของเรามีกําลังขึ้นมาอย่างความเมื่อยเลยถ้าเราชนะความเมื่อยได้มันจะเป็นความตื่นที่สุดของความเมื่อยคือความตื่นนะความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันมันมาเพื่อให้เราเรียนรู้มาเพื่อที่ให้เรารู้ว่าอ๋อลุบแบบมันเป็นอย่างนี้เราควรจะปรับยังไง จิตสติปัญญามันจะเกิดเพราะฉะนั้นการฝึกแบบนี้เราจะเกิดการสงบแบบตื่นรู้ก็คือความเป็นปกติของย์นั่นเองไม่ได้สงบแบบนิ่งเท่าที่เข้าใจกันทั่วไปแล้วสงบแบบนี้เราจะไปใช้ในชีวิตการงานได้ความคิดจะถูกจัดระเบียบอันไหนที่ควรนามาอันไหนควรคิดอันไหนไม่ควรคิดแต่ระหว่างที่อยู่ที่นี่ทิ้งทิ้หมดเลยนะไมัตงคิดอะไรเลยไม่ห้ามแต่ไม่ตามอย่าไปห้ามความคิดนะ วิธีนี้ไม่ห้ามความคิดให้มันคิดกันมายิ่งคิดมากยิ่งดีเราจะได้ยิ่งรู้แต่ยิ่งคิดยิ่งรู้รู้อะไรรู้ทานความคิดการจะรู้ทางความคิดเราต้องมีหลักหลักก็คือรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวให้ชัดๆตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหลักเหมือนกับอารมณ์กระแสของอารมณ์หรือความคิดเนี่ยมันเป็นบึง น, น้ำที่มันไหลถ้าเราไม่มีหลักยึดไว้เนี่ยมันจะไหลไปตามกระแส การที่เจ้าใจถิ่นจ้จะตัดสู้ถ้าเราถาดเนี่ยไปลอยทวนกระแสน้ําท่านบอกว่าถ้าได้ตัดสูคอยถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ําไปถ้าไม่ได้ตัดสู้คอยถาดนี้ลอยตามกระแสน้ําซึ่งอันนี้เป็นคําเปรียบเทียบนะถาดก็เหมือนใจเราอ่ะกระแสน้ําก็เหมือนกระแสอารมณ์กระแสความคิดเพราะนั้นเราจะทวนกระแสความคิดทวนอารมณ์ด้วยความรู้สึกตัวไม่ห้ามแต่ไม่ตามกลับมารู้สึกตัว แตนะ่ตรงนี้มันจุดสําคัญเพราะเราทําเพียงตรงนี้จุดเดียวเท่านั้นเองแต่ทาบ่อยๆทําซ้ําๆมันจะมีอารมณ์มีอะไรให้เรามาแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นเราจะทําให้เราเก่งความฟุ้งซ่านความเบือ่อความอะไรต่างๆนะตรงเนี้ถือว่าเป็นเป็นวัตถุดิบหเป็นวัคซีนมาที่จะทำให้ใจของเรามีกําลังทําให้ปัญญามันเกิดนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในสามวันห้าวันเจ็ดวันก็ดี เพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพวกเราเนาะมาทําเรื่องนี้แหละเรื่องอื่นอย่าเ่งไปสนใจมันไอเรื่องพูดเรื่องคุยเรื่องทำเรื่องทำนี้เอาไว้ก่อนวางไว้ก่อนทางเรื่องเนี้ยมาที่นี่จะให้ถึงวัดป่าสุกโตต้องทําเรื่องนี้ถ้าไม่ทําเรื่องนี้ถือว่าไม่ถึงวัดป่าสุกโตแม้ว่าตัวจะมาถึงแล้วก็จะกลับไปโดยที่ไม่ได้รับประโยชน์เลยมาสุกโตต้องได้เรื่องนี้กลับไป แล้วไปใช้ในชีวิตประจาวันจริงๆ น, น, นั่นเก็เป็นเรื่องที่อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนเนาะที่มาที่วัดป่าสุกโตได้เรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าความรู้สึกตัวหลวงพ่อคำเขียนใช้คาว่าเอากายเอาใจเป็นตำราเป็นหนังสือเอาสติคือความรู้สึกตัวเป็นนักศึกษาอ่านกายอ่านใจลงไปไม่องานหนังสือนะมาอยู่ที่นี่ ไม่ต้องอ่านหนังสือที่เป็นเล่นๆ เ, เลยอ่านกายอ่านใจไอ้เนี่ยพระต่ปิดกเล่มใหญ่ออกมาจากตรงนี้เพดันะะนั้นทิ้งไปเลยหนังสือทิ้งไ้หมดเลยขยันที่จะเดินขยันที่จะสร้างจังหวะอ่านตรงเนี้ยอ่านด้วยความรู้สึกตัวเนาะตรงเนี้ยเป็นเครื่องมือสําคัญทําซ้ําๆลองดูสิ5วัน3วันมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่าไปคาดหวังนะมีพูดแล้วโหเดี๋ยวเราจะต้อง เอาให้มันได้อะไรเนี้ยต้องปกติให้ได้อะไรเนี้ยบางทีตรงนี้มันเป็นจินตนาการกันหมงเพราะฉะนั้นฟังแล้วทิ้งเลยนะไม่ต้องเอาไปจําเลยนะแค่กลับมารู้สึกตัวแค่นั้นเองเดี๋ยวอะไรทั้งหลายมันจะมันจะให้เราเรียนรู้ไปเองอะอันนี้เป็นการเรียนรู้โดยไม่ใช้ความคิดเป็นความรู้เหนือความคิดเป็นความรู้ที่แตกต่างไปจากที่เราเรียนมา เราเรียนมาส่วนใหญ่เราใช้ความจําใช้ความคิดตอนนี้ใช้ความรู้สึกตัวเป็นวิธีการเรียนที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเราเป็นเด็กเด็กอะเราดูจับคํานุ่นคํานี่เรารู้ว่ามันร้อนมันเย็นมันแข็งเนี่ยเราใช้ตัวเนี่ยแต่ดีเนี่ยเราใช้ความคิดมากใช่ไหมความรู้สึกตัวมันก็เลยน้อยเนี่ยอันนั้นตรง น, นี้เราจะกลับมาฟื้นฟนูเครื่องมือในการที่จะเรียนรู้แล้วก็คือความรู้สึกตัวเนาะ ก็ไม่ทราบมากนกันวาพูดไปจะเข้าใจกันหรือเปล่านะถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวลองฝึกปฏิบัติและถ้าในข้อสงสัยก็สอบถามกันได้พูดคุยกันได้เนาะถือว่าเป็นกระะนารยานุษ์นะไม่ใช่เป็นครูบ า, าจารย์นะในหน้าที่ได้เดินทางมาบ้างนะก็ยังไม่ถึงที่สุดหรอกนะแต่ก็พอเห็นทางนะที่จะเดินไปแล้วก็บนทางที่ในในส่วนตัวนะ ก็มีความเชื่อว่าความทุกข์ลดลงนะจากที่เคยหนักอกหนักใจทุกมากก็ทุกน้อยลงแต่ไม่ถึงกับน้อยหมดทุกนะอันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่มากแนะึ่สงตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องวิสุดได้แล้วก็ทำได้ด้วยไม่เหลือวิสัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กคนเดาคนแก่ผู้หญิงผู้ชายไม่จาเป็นนะจะต้องเป็นนักบวชทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ อาจารย์ยังสินชอบใช้คำว่าอันนี้นักเรียนในเครื่องแบบพวกเราเป็นนักเรียนนอกเครื่องแบบนะเรียนรู้เรื่องเดียวกันนั่นะก็คือเรื่องกายเรื่องใจเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์เรื่องการออกจากความทุกข์นะเนะี่ยนี่คือเรื่องสําคัญที่มีมมในพพุทธศาสนาแปดมื่นสี่พันมตมขันมาจบตรงนี้ธรรมะกันมยูเดียวหลวงพ่อทีทใช้คำาสูตรอึดใจเดียวก็หนะ้า หน้าลองหน้าพิสูดดูนะเรก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราอยู่บ้างนะแล้วก็ขอให้เรามีความเพียรความพยายามลนะดการพูดคุยงดการสื่อสารกิจกรรมกิจวัตรที่ไม่จำเป็นลดไปมาขันนีเดินชงกรมสร้างจังหวะนะแ้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะขยายผลไปเอ่ยไปใช้ในชีวิตประจาวัน เดินไปก็รู้สึกตัวแปลงฟันก็รู้สึกตัวตื่นมาทํากิจกรรมอะไรก็รู้สึกตัวนะแรกๆคนใหม่ๆเนี่ยให้ทําในรูปแบบมากๆแต่คนที่พอเข้าใจรูปแบบแล้วพยายามขยายไปในกิจวัตรประจําวันด้วยเปิดประตูด้วยความรู้สึกตัวแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวกินข้าวด้วยความรู้สึกตัวนะตรงนี้อย่าไปจํากัดว่าการฝึกสติแค่ในรูปแบบนอกรูปแบบด้วย นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้แต่คนใหม่อาจจะยากนิดนึงให้พยายามทําในรูปแบบมากมากเนาะแล้วก็คนเก่าที่อยู่วัดนี่อย่าประมาทนะโดยเพราะคนที่อยู่นานๆนะอย่าประมาทให้พยายามทําบ่อยๆขยันทําบ่อยๆนะตรงนี้ก็จะได้รับประโยชน์นะอะไรท้ายที่สุดนี้นะก็ขอห้างเองเอาคุณของพระศรีรัตนตรยัยนะก็คือคนของพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือตัวสติปัญญาที่มีในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงนะ่ะที่ปรากฏหรือแสดงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะ่ะจะเป็นความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหงอนความเบาสบายปุตินะอาการต่างๆ ท, ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะเป็นธรรมะนะแล้วก็พระสงฆ์ก็คือการปฏิบัติของเรา การกระทําของเรานั่นเองแต่เพราะนั้นประพฤติปัตยมประสงค์ก็อยู่ที่ตัวเรานะแล้วก็ด้วยความเพียรความพยายามความอดทนความตั้งใจของพวกเราทุกคนนะก็ให้เป็นภลวัปัจจัยในทุกคนได้สัมผัสนะกับความเป็นปกติของใจนะที่มีอยู่แล้วนะตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติในวันนี้โดยชั่วหน้ากันเทินเจริญพร